พระธรรมเทศนาแผ่นที่54ลำดับที่21โดยหลวงพ่ อ, อินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่18เมษายน2556มีชื่อเรื่องว่าจะถือตามโบราณก็ต้องใช้ปัญญาเมื่อวานฝนตก รู้สึกชุ่มเย็นมากพอชุมควรบันนี้ฝนตกแรงพอชุมควรนะแต่ไม่ไม่นานถ้าตกนานๆคงจะดีเหมือนกันนาแห้งแล้งมานานก็ <c oughs> เป็นคนบัวล้านเนย่หวยเขาจะได้จับฉลากแต่แท่ปี น, นี้ฝนพายเห็ด น, นฝนแรงวะ่ะใครทำให้ฝนแรงต้องจับฉลากจับฉลากได้ไง เอาไปส่งไว้ทางภาคใต้ที่ฝนชุกๆุกมนะเพื่อจะให้ฝนหยุดทางนู่นมาให้มันตกทางนี้ทางภาคใต้ฝนตกน้ำท่วมทางอีสานแรงร้อนยิ่งกว่าอะไรวันนี้เป็นวันที่สิบแปดเมษายนพุทธศักราชสองพันห้าร้อยห้าสิบหกวันนี้เป็นวันพระ ขึ้นแปดค่ำเดือนห้าแป๊บเดียวขึ้นแปดค่ำแล้วนะสัทธาญาติโยมเป็นวันพระวันนี้พระทั้งหมดในวัดของเราสี่สิบหกลงมาฉันสามสิบเจ็ดงดฉั น, นเก้าสัมมนณีสอง 2. นาคสามสิบเอ็ดรวมทั้งหมดเจ็ดสิบเก้าวันนะ ทั้งพระทั้งเนรทั้งโยมในวัดของเราเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าชีวิตแล้วก็วันที่ยี่สิบกลุ่มนักศึกษาลูกหลานนักศึกษาที่มาบวชตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นักศึกษาแพทย์มหิดลเจลาศิษขาวันที่ยี่สิบนะแล้วก็จะบวชวันที่ยี่สิบเอ็ดนะทั้งหมดสาสิบเอ็ดนาคนะ่ย เพราะนั้นพี่น้องประชาชนศรัทธา ญ, ญาติโยมผู้ที่จะมาร่วมสมทบในการบวชลูกหลานก็มาได้วันที่สามสิบเอ็ดคงจะมีญาติของนาคมาจากจารุรสทศิที่จะมาบวชลูกหลานทั้งหมดสามสิบเอ็ดนาคลูกหลานเหล่านี้จะเป็นทายาทของพระพุทธศาสนา ถ้าเราไม่ปลูกฝังทายาทของพวกเราเอาไว้พุทธศาสนาก็คงจะล่อยหลอลงไปเรื่อยๆนียเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราช่วยช่วยกันคนละไม้คนละมือปลูกฝังลูกหลานอุ ป, ปนิสัยลูกหลานไว้ในพระพุทธศาสนาเพราะว่าพระพุทธศาสนา ต, ตามไม่จริง บรรพบุรุษของพวกเราปู่ย่าตายายหลายช่วชีวิตตระกูลของพวกเราก็นับถือพระพุทธศาสนาแต่พวกเราท่านทั้งหลายไม่ใช่ขเขานับถือมาเราก็นับถือไปไม่ใช่เราต้องมีเหตุผลในการนับถือเพราะหลักของพระพุทธศาสนาท่านสอนให้ใช้ปัญญา ให้ใช้ปัญญาที่จะนับถือจะถืออะไรหรือว่าจริงของที่มีคุณค่าทางด้านจิตใจิร่อ้ยแล้วต้องกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลว่าพุทธศาสนาเนี่ยมีเหตุผลอย่างไรทำไมบรรพบุรุษของพวกเราจึงได้นับถือเป็นศาสนาประจำชาติมาตั้งแต่ดึกดำบัน นานเท่านานแต่พวกเราลูกหลานทัางหลายที่เกิดมาสุดท้ายภายหลังอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเนี่ยให้วิเคราะห์ดูซิว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนานั้นท่านสอนอย่างไรอันดับแรกคือคือท่านสอนให้มีเมตตาเมตตาทำค้าจุนโลกถ้าหากว่าคนที่มีเมตตาอยู่ด้วยกัน จะทําเขาจะทําอะไรให้กับเขาเขาจะทําอะไรกับเรากับคู่คนทั้งหลายมีเมตตาต่อกันโลกทั้งโลกประเทศทั้งประเทศกลุ่มของเราทั้งกลุ่มก็สงบร่มเย็นเป็นสุขเพออราะเหตุไดเพราะว่าพวกเรามีเมตตาจากนั้นก็ทัพพระพุทธเจ้าสอนว่าให้ทานศีลภาวนาอันนี้คือหลักใหญ่ในการอยู่ด้วยกัน ภาพรวบเลยทานคือการเสียสละถ้าพวกเราไม่มีการเสียสละต่อกันไม่มีการให้ทานต่อกันพวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันอันหนึ่งคนจิตใจกว้างขวางเสียสละในการทําบุญทําทานไปที่ไหนก็เสียสละในการทําทานเพราะตัวเองพอเป็นพอไปไม่เดือดร้อนถ้าว่าตัวเองเดือดร้อน ต้องรู้จักประมาณในการทำทานเหมือนกันคำว่าทานะคือว่าทานคานี้เราไม่ใช่ว่าจะสอนให้คนไม่มีอันจะกินก็ให้ขายบ้านขายเรือนขายที่พักผาใส่ทำบุญทาทานไม่ใช่คนที่ล้นฟ้าอยู่แล้วมากมายมหาศาลไม่ให้มีการทำบุญทาทานขี้ตนีทีเหนียวจนไม่รู้จักแบ่งปันอย่างเัินกอนไม่ใช่ เพราะนั้นตรงไหนคือคนที่มีฐานะพอที่จะมีกินแล้วก็ควรจะแบ่งปันอันนั้นคือเรื่องของพระพุทธศาสนาท่านสอนอย่างนั้นถ้าว่าคนฐานะตัวทานคำนี้ถ้าว่าคนเราเนี่ยผู้มีอันจะกินฐานะเสมอกันนี่แหละ แต่วันหนึ่งคนหนึ่งขี้ตนีทีเนียวไปที่ไหนมีแต่จะคดจะโกงมีแต่จะเบียดจะบังไปที่ไหนกันเนี่ะนี่มีแต่ทวงนี่เขาอยู่ตลอดปล่อยนี่กู้ตลอดไปที่ไหนทุกหัวไะแหงจะยึดไล่ยึดนายึดรู้ยึดสวนของเขาที่จะให้ช่วยเหลือชุมชนสังคมไม่มีแต่รวยรวยมากแต่คนหนึ่งก็รวยฐานะเสมอกันนั่นแหละทามาค้าขาย แต่ไปที่ไหนก็สงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โร ง, งเรียนสาธารณประโยชน์เจ็บไข้ได้ป่วยโรงพยาบาลคนเท่าคนแก่ผ้าห่มหน้าหนาวหน้าร้อนหยุกยาแก้โรคภัยไข้เจ็บแบ่นปันพวกเราคิดดูสิว่าสองคนเนี่ยเข้าไปในชุมชนมาในชุมชนของพวกเราพวกเราจะให้ความเคารพนับถือคนใดมากกว่ากัน พวกเราก hey, hey. ็คิดว่าเนี่ยนะคนที่คนที่เสียสละเนี่ยนะมีน้ำใจต่อชุมชนต่อกลุ่มของเราไปนัสถานที่ในปกป้องดูแลรักษาอยากจะให้เขามาอีกและอยากจะพบเขาอีกเพราะเหตุไรเพราะว่าเขามีน้ำใจเขามีเมตตาเขามีการเสียสละในชุมชนกลุ่มของพวกเราฮะแต่ถ้าว่าคน ตรงกันข้ามนั่นเนอะไม่อยากจะพบอยากจะเห็นอยากจะให้หนีไปไกลๆถ้าเขามาก็เราคนวิ่งหนีก่อนไม่อยากจะเห็นหน้าเขาอีกต่างหาก why ไรเพราะว่าเขาไม่มีน้ำใจไม่มีเมตตาไม่มีการเสียสละนี่แหละมันต่างกันอย่างงั้นคือฐานะศีลรักษากายวาจาให้เรียบร้อยอย่างวันพระเนี่ยวันพระวันนี้วันแปดค่า ท่านจะพาสมาทานศีนลรักษาศี 8, ลแปดรักษาศีลห้าสำหรับคารวอศีลห้าเกิดไม่เบียดเบียนไม่ฆ่าคนอื่นไม่ขโมยคนอื่นเขารบสิทธิสามีภรรยาคนอื่นไม่โกหกต้มตุ๋นหลอกหลวงคนอื่นแล้วก็ไม่ดื่มสุราเนี่แหละศีลห้าถ้าบอกผู้ใดก็ตามมีศีลห้านี่ย อยู่นสถานที่ใดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจของคนในชุมชนและกลุ่มนั้นๆไปนสถานที่ใดใครก็ไว้เนื้อเชื่อใจคิดว่าคนคนนี้มาคงไม่ขโมยแล้วก็คงไม่คิดจะฆ่าใครอื่นเขาคงจะเคารพสิทธิสามีภรรยาถึงเขาจะมั่งมีสีสุขร่ารวยขนาดไหนเขาเคารพเพราะเขาเป็นผู้มีศิน เขารักเขากคงจะเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ต่อชุมชนของพวกเราเขากคงจะไม่ต้มตุนหลอกลวงโกหกพวกเราอันนี้แหละแล้วก็ชุราไม่ดื่มสุราจนมึนเมาจนเสียมรยาทเข้าไปในชุมชนเลยดื่มสุราเข้าไปแล้วก็ไม่รู้จักสูงไม่รู้จักต่ำเพราะคนขาดสติทําอะไร จะเ ป, ป, ปะะปาทำได้ทุกอย่างเพราะคนขาดสติจะฆ่าใครก็ได้อวดอ้างใครก็ได้อวดอ้างก็อวดอ้างแบบคนน่ากลัวเสียวเสียวหวัดเสียวยถ้ามีปืนอยู่ในเอวก็ยกมาปืนมายิงขึ้นป้ายคนดูอวดดูเพ่อะอะไรเพราะขาดสติแต่เราจะทำยังไงล่ะ เ, เราจะเข้าไปใกล้ไหมคนประเภทอย่างนั้น เพราะนั้นสิ่งเหล่านี้ทานก็ดีศีลก็ดีของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางเอาไว้ถ้าพวกเรานํามาวิเคราะห์แล้วล้วนแล้วจะมีประโยชน์เพราะนั้นบรรพบรุษของพวกเราตั้งแต่โ บ, บราณที่ท่านถือนับถือมาถ้าเรานํามาวิเคราะห์เรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีแล้วถ้าว่าพวกเรายึดแนวแถวนี้ไปอีกพวกเราก็จะมีความสงบร่มเย็นเป็นสุข นานเท่านานชั่วลูกชั่วหลานเป็นอนันตการแต่ถ้าพวกเราไม่มีการเสียสละซะแล้วก็ต่างคนก็ต่างวิสินเนี่ยเป็นของ เ, อเก่าเกิดเป็นของที่ไม่มีคุณค่าต่างคนก็ต่างละเมิดในศินซะอย่างนี้พวกเราคิดดูให้ดีก็แล้วกันอะไรจะเกิดขึ้นแต่โดยมากคนเราเนี่ย เขาวาทานทานเนี่ยตัวเองก็ไม่ยินดีในทานไม่อยากจะทานแต่อยากจะรับผลจะนองในการทําทานของคนอื่นแต่ตัวเองไม่อยากจะรักษาศินแต่ก็อยากจะเขารบหรือว่าอยากจะได้ผลของศินเน่ยที่ชุมชนเขารักษาเขารักษาศินเนี่ยเราอยากจะได้เร า, าจะอยู่ในชุมชนเขาผู้มีศินแต่ตัวเองเนี่ยไม่อยากจะรักษาศิน อย่างนั้นะ่ะโดยมากกิเลสอไฟต่ําเอมันจะไปลักษณะอย่างนั้นแต่ชอบอยู่ชอบผู้ที่คนเขารักษาศีลเพราะเราเข้าไปแล้วอบอุ่นเอแต่ตัวเองเนี่ยไม่อยากจะรักษาศีลอยากจะฆ่าอยากจะเที่ยวอยากจะสนุกอยากจะอะไรรอบได้หลายอย่างนี่แหละโดยมากจะเป็นลักษณะอย่างนั้นเพราะกิเลสไฟต่ําออมันไม่ชอบมันไม่ไฟสูงมันไม่ ไม่ต้องการความสงบพรมเย็นเป็นสุขมีแต่สร้างความเรือดร้อนให้แก่กับใครๆที่อยู่ในชุมชนสังคมของพวกเราแต่ในเรื่องสมาธิก็เหมือนกันสิยศีลสมาธิปัญญาในหลักของพุทธศาสนาถ้าเราคนเราถ้าไม่มีการฝึกสติกับตัวเองอยู่ตลอดไม่การมีการฝึกใจฝึ ก, กจิตฝึกใจปล่อยจิตปล่อยใจ แต่ละวีแต่ละวันเออละเหอยลอยลมปุงฟุ้งสานอยู่ตลอดอมีแต่เคิดโลบทกหลงอยู่ตลอดใจของคนนั้นเขาคนนั้นจะเรือดร้อน เ, อเพ้อเผลอขนาดใจแตก เ, เป็นบ้าปเป็นบอได้ไง่ายๆเหมือนกันแต่ถ้าพวกเรามีการฝึกสติ อ, อยู่กับตนเองเอให้มีสติสัมปชัญญะอยู่ในตนเองตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา พวกเราอยู่ในสถานที่ใดก็สงบพร่มเย็นเป็นสุขมีการให้อภัยกันมีการยืดหยุ่นต่อกันในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนิดๆหน่อยๆหยวนกันเพราะมีน้ำใจต่อกันนี่แหละทั้งโลกทั้งโลกพวกเรามีน้ำใจต่อกันอย่างหลักธรรมคาสอนของพระพุทธศาสนาแล้วหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าประเทศชาติบ้านเมือง โลกในยุคเราเนี่ยคงจะมีความร่มเย็นเป็นสุขแต่นี้ไม่เป็นอย่างนั้นพวกที่ขายสิ่งของกับมีแต่อยากจะได้กําไรอขายยาบ้ายา마ให้หมู่กินอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะในเมื่อขายเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็ อ, ออรัดออเปรียบแต่เงินเข้ามานั้ถ้าจะว่ามากมันก็มากอยู่แต่ถ้าจะว่าเปรียบเทียบกับความเสียหายแล้วมันเสียหายอย่างมาก ถ้าว่าพวกเราคิดคิดดูสิว่าถ้าว่าพวกเราพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปติดยาบ้ายาบ้ายาม้าคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนเข้าไปละ่ะแล้วตะกูลนั้นละ่ะครอบครัวนั้นละ่ะเขามีความสุขไหมเดือดร้อนพุ่นวายทั้งทองครอบครัวเลยแต่คนที่ได้เงินไปกั น, นิดหน่อยแต่ถ้าวันดีคืนดีเข้ามาเนะี่ยมาเจอกับตัวเองเข้าละ่ะ เออตัวเองเป็นยังไงเออเหมือนกับเอาไฟจี้คนอื่นเออเขากระดินงพลาดเนะ่ยว่ามันร้อนนะ่ะแต่อีกสักวันหนึ่งเขาเอาไฟมาจี้ตัวเองเอตัวเองทำยังไงมันกระด่งอีกเหมือนกันฮงเออสรุปแล้วก็คือสิ่งไหนก็ตามถ้าจะทําให้ชุมชนสังคมเดือดร้อนทําให้ตนเองเดือดร้อนสิ่งนั้นเราต้องคิดหนักอย่าทําถ้าทําไปแล้วอคนอื่นเขาก็เดือดร้อนเราก็เดือดร้อนนะ คนโบราณเขาจึงในหลักธรรมคาสอนของพุทธศาสนาทําทุกข์ให้แก่ท่านอีกสักวันหนึ่งทุกนั้นจะมาหาตัวเองฮทําทุกข์ให้แก่ท่านทุกนั้นจะมาหาตัวเองอีกสักวันหนึ่งวันในสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราเป็นพุทธศาสนิกชนทุกๆท่านพวกเราทุกคนเข้ามาศึกษาในพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าก็ขอให้พวกเราสํานึกไว้ในใจอยู่เสมอ กรรมชั่วอย่าทำเสียเลยดีกว่าเพราะกรรมชั่วเมื่อทำไปแล้วจะทำให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังพอทำกรรมชั่วใครไปฆ่าเขาไปขโมยเขาไปผิดสามีภรรยาถูกหลานคนอื่นเขาไปโกหกไปเขาไปดื่มสุราขับรถชนัะไปหมดหรือขาดจิตใแล้วทำความ ไม่ดีหลายหายอย่างติดคุกติดตารางฮะนั่นแหละเมื่อทําเราทํากรรมลงไปแล้วกรรมคือการกระทํานะกายกรรมวิจีกรรมมนโนกรรมคือการกระทําลงไปแล้วนะนั่นแหละกรรมชั่วจะตามสนองนีเอยเมื่อฆ่าคนเข้าไปแล้วนั่นแหละกรรมชั่วตอนนั้นก็ตามสนองตัวเองกูวิ่งหนีเลยวิ่งหนีคดีฮะ เนี่ยพอในสุดเขาจับได้ก็น่นละเข้าอยู่ในคุกในตารางทนทุกทรมานอยู่มันลกกี่ปีเพราะอารมณ์โช์ ว, วูกเท่านั้นเองเนี่สิ่งเหล่านี้มันต้องได้คิดไว้ทั้งหมดนะถ้ามีสมาธิเราก็จะต้องเบรจิตไม่ไม่เบรกจิตเบรกใจเขาตนเองอย่าไปทำในสิ่งที่มันไม่ถูกต้องนี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาสรุปแล้วก็คือคนโบราณปู่ย่าตายายเขานับถือพระพุทธศาสนามาเขากันกรองไตรตอง ไม่โลกกี่ยุคกี่สมัยแล้วจนมาถึงพวกเราถ้าพวกเรานำมากันกรองไตรตองอีกก็รล้วนแล้วต่มีเหตุมีผลสำหรับนำมาประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีค่าคนดีหลาหลายคนแล้วนะในกลุ่มของพวกเราประเทศชาติบ้านเมืองของพวกเราก็จะมีแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันเอาวันนี้ให้แนวความคิดไว้เพียงตอนี้ก่อน ตอนนี้ไปรับพรพระสงฆ์จะอโโมธนาให้พร